รู้สึกตัวไว้รู้สึกตัวเป็นตัวอะไรที่ดูยากๆเลยตัวเนี้ยตัวรู้สึกตัวอยากได้ธรรมะต้องอดทนทนเรียนรู้ตัวเองไปขยันทำเหตุแล้วผลมันมาเองอยากได้ธรรมะแต่ไม่ทำเหตุมันไม่มีทาง ใครก็ช่วยไม่ได้อพวกอยู่วัดส่งกันบ้านก่อนสวัสดีครับหลวงพ่อครับรู้สึกว่าพอแก่ตัวลงโมหะมันมากขึ้นภาวนาอะไรนะพอแก่ตัวลงแล้ว โ, โมหะมันมากภาวนายากขึ้นพอสมควรนะครับยากครับนั่งอยู่ก็จะหลับใช่ครับเดินอยู่ก็เคลิม้มครับนะ ใช้ภาวนากรรมฐานเคลื่อนไหวมากขึ้นเยอะเลยครับต้องสู้อย่างนั้นครับผมเคลื่อนไหวไหมนะยังเคลื่อนไหวได้อยู่ก็เคลื่อนไปภาวนาทำตั้งแต่เด็ก ๆ, ๆดีที่สุดแต่เด็กเล็กทีเดียวบางคนภาวนาไปช่วงหนึ่งใจมันหิวโลกยังไม่รู้จักโลก ใจก็อยากออกไปอีกคนที่กำลังดีนะประเภทเคยมีครอบครัวมีอะไรมาแล้วเห็นแล้วว่าโลกนี้มันทุกยังไงแบบเจ้าชายสิท ธ, ธนะัตถะนไม่ได้ออกมาตอนเล็กๆออกมาตอนโตแล้วยุ่งตั้งยี่สิบเก้าแล้วท่านเข้าใจโลกเห็นโลก ในโลกนี้เต็มไปด้วยความทุกข์มีคนแก่มีคนเจ็บมีคนตายอะไรอย่างี้ท่านเห็นอย่างนี้แล้วท่านถึงอยากคนโลกใจว่ามีกำลังที่จะต่อสู้เด็กบางคนมีบุญบา ร, รมีเก่านะเขาาหนาได้แต่เด็กอย่างนี้นก็ยกเว้นไว้แต่ถ้าเริ่มต้นใหม่ๆนะมาบวชตั้งแต่เล็กๆพอเป็นวัยรุ่นใจมันลำบากแล้วใจมันร้อน ไอ้นนก็ไม่รู้ไอ้นี่ก็ไม่รู้อ ย, รอยากรู้สู้พวกที่เคยผ่านความทุกข์ของโลกมาแล้วสู้ไม่ได้พวนี้มีแรงอยากออกจากโลกจริงๆนึกออกไหมตอนเราเด็กๆนะก็สนุกไปเนาะก็เพลินๆ อ, อย่างนั้นนะไม่มีแรงออกจากโลกพอโตขึ้นมีประสบการณ์ชีวิตขึ้นเห็นโลกนี้ไม่น่า รักใคร่ห่วงแผนเหมือนตอนที่เด็กๆรู้สึกเลยก็พ า, นานนวนาใน่สุดก็ออกไปจากโลกได้มีความสุขเดี๋ยวไปติดต่อจานอาไว้ไปจองชิวไว้คนจะมาบวชที่นี่ไม่ใช่ง่ายนะเพราะที่มันจำกัด เวลาจะมาบวชที่นี่พระจะดูกนะันว่าจะเข้ากับกลุ่มได้ไหมอนนี้เป็นหลักปกตินะสมัยพุทธกาลเนะี่ยพระเป็นคนรับสมาชิกใหม่ถ้ามีคานขึ้นคนหนึ่งเนะบวชไม่ได้ละตกที่วัดหลงพ่อก็ใช้หลักนี่แหละใครจะสมัครบวชนะพระถ่ายรูปมาดูกันใครรู้จักคนนี้บ้าง มีพฤติกรรมไม่ดีชอบหลอกแมวอะไรอย่างเงี้ยนะ <laughs> <laughs> นี่มุกนะนี่มุกไม่ใช่เรื่องจริงนะแซลเล่นชอบแมวถ้าคานคนหนึ่งก็ไม่เอาคนที่มาบวชกับหลวงพ่อเนะี้ยทีแรกจะเป็นพวกเราอย่าเงเนงะี้ยมาจากกลุ่มพวกเหล่านี้แหละ ไม่ใช่พ่ลึกมาจากที่อื่นหรอกเรียนกับหลวงพ่อมาช่วงหนึ่งแล้วแล้วก็อยากเรียนแบบเข้มงวดจริงจังนะสมัครมาบวชิวบวชมันเยอะนะเนี่ยช่วงตอนนี้เหลือแต่ช่วงปลายปลายปีที่เหลือเพราะว่ายังไม่ลงบุกไว้ให้ ยังไม่รู้ว่าใครจะศึกกันเมื่อไหร่พวกเข้าพรรษาอะไรงี้บวชก็ยากที่นี่กุติจำกัดบวชมาแล้วเนี่ย ท, ทั้งทั้งที่ตอนเป็นโยมภาวนาดีตอนมาบวชเนี่ยต้องเริ่มใหม่เรียนแบบพระก็เรียนแบบโยมไม่เหมือนกันนะ เนแบบโยมเนี่ยหลวงพ่อเลี้ยงแบบอุตสาหกรรมแบบงานอุตสาหกรรมเลยนะทีหนึ่งเทศครั้งหนึ่งพันสองพันห้าร้อยอางรเงี้ยนี่เป็นระบบแบบปั๊มขึ้นมาเลยใครมีบุญวาสนาก็หลุดออกไปได้ก็มีคนทำได้ไปเรื่อยๆนะที่ผ่านมาก็มียังไม่ถึงร้อยหรอกแต่ว่าก็เยอะแหละ ที่ภาวนาเป็นเห็นมารู้ว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรนี่อย่างพวกที่มาบวชเนี่ยเดือนสองเดือนคือเริ่มต้นใหม่เลยไอ้ที่ว่าเคยรู้สึกตัวตอนเป็นโยมก็รู้สึกตัวตอนเป็นพระเนี่ยโคตรเรื่องกันโคละแบบกันเลยแล้วกว่าจะเข้าใจ บางคนก็เร็วบางคนก็หลายเดือนนะกว่าจะเข้าใจวิธีปฏิบัติขึ้นมานี่พอเสือออกไปเนะี่ยหลวงพ่อมีการติดตามผลไม่ได้ทิ้งกว้างอย่างพวกเราหลวงพ่อก็ดูหน้าตามผลเหมือนกันนะบางคนเห็นหน้าแล้วก็นึกว่าสามปีก่อนมันเป็นยังไงยนี้ก็นึกหยู่มกันเมื่อก่อนนี้เป็นไงเดี๋ยวนี้ดีขึ้นหรือแย่ลงงนี้ก็ตามผลเหมือนกัน แต่ของพระเนี่ยตอนเช้าๆหลวงพ่อเรียกเข้าไปข้างในด้วยพร้อมกับพวกกรรมการจะไปตรวจกันบ้านพวกซึ่งเคยภาวนากับหลวงพ่อมาแล้วเป็นพระเนี่ยผ่านความเข้มงวดมาแล้วนันการสอนมันจะไปอีกแบบหนึ่งแบบแอดวานซะ์สอนพวกเราเนี่ยสอนระบบอุตสาหกรรม สอนพวกพระเนี่ยระบบแฮนเมดถึงมือถึงตีนจริงๆนะแฮนเมดจริงๆนเะ <laughs> <laughs> มื่อเวลาเรียกเข้าไปเนี่ยเรียกกรรมาการกับพวกทิดพวกอะไรพวกนี้เข้าไปคนกลุ่มนี้ผ่านการเรียนมาแล้วหลวงพ่อสอนต่อยอดไปได้หลวงพ่อถึงไม่ได้ให้พวกเราใครก็ได้เข้าไปเข้าไปเนี่ย พลังของจิตกระแสของจิตนี่มันขัดแย้งกันเก่ <S <S 1> <S 1> งมา่างไหนก็ตามเหอะแต่ว่าฝึกมาคนละแบบฝึกมาคนละแบบก็ไม่เป็นไรนะถ้าถูกก็ใช้ได้เหมือนกันหมดแต่ส่วนใหญ่มันไม่ถูกเข้าไปแล้วมันแปลกปลอมอยู่ในกลุ่มกระทบการเรียนของคนทั้งกลุ่ม งันหลวงพ่อจริงๆไม่ได้รังเกียจเหยียดหยามว่าคนนั้นเข้าได้คนนี้เข้าไม่ได้นะแต่ถ้าทุกคนเข้าได้หลวงพ่อจะเปลี่ยนมานั่งตรงนี้แทนคน <c oughs> นั่งกันหมดอะก็อยู่กันหมดะหมนะนี่ทำความเข้าใจนะว่าทาไมถึงไม่ได้ให้พวกเราทุกคนเข้าไปพวกนี้เขาต้องการเรียนต่อยอดไปในขณะที่บางคนต้องเรียนเบสิก วิธีเรียนเบสิคน่ฟังไปก่อนแล้วไปฟังดู YouTube แล้วสังเกตของจริงในตัวเองอย่าคิดว่าของจริงที่เคยทำมานะมันดีแล้วถูกแล้วนะถ้าคิดอย่างนั้นโง่นะมันไม่พัฒนาแล้วเปิดใจให้กว้างถูกผิดแหวนเอาไว้ก่อนฟังที่หลวงพ่อสอนแล้วลงมือลองทำดูเดือนหนึ่งสองเดือนสามเดือนอะไรเนี่ยถ้าไม่ได้ผลก็ไม่ต้องเรียน เรียนที่อื่นเอาที่ถูกใจถ้าถูกจริตเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของตัวเองอย่างเราไม่เคยรู้สึกตัวเรารู้สึกตัวขึ้นมาได้อย่างนี้ก็รีบเปลี่ยนต่อซะต่อยอดไปเรื่อยเรื่อยพอรู้สึกตัวได้แล้วต่อไปนะก็แยกขันการแยกขันนี่เป็นการเจริญปัญญาขั้นต้นยังไม่ขึ้นวิปัสสนา พอแยกขันได้อย่างเราเห็นนีร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูร่างกายมันเดินมันนอนใจเป็นคนดูร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้าใจเป็นคนดูเห็นอย่างเนี้ยมันเรียกว่ามันแยกขันได้ความสุขความทุกข์ก็ถูกรู้ถูกดูนะไม่ใช่จิตออกจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูความดีความชั่วโรกปวดหลงก็ของถูกรู้ถูกดูเนี้ยอย่างเนี้ยเรียกว่าการแยกแยกสิ่งที่เรียกว่าขันห้าแยกออกเป็นส่วน ไม่ต้องแยกครั้ง5้าส่วนอย่างน้อยต้องแยกเป็นสองส่วนแต่หนึ่งในสองนั้นคือจิตเช่นร่างกายเคลื่อนไหวจิตเป็นคนดูความสุขความทุกข์เกิดขึ้นจิตเป็นคนดูกุศลอกุศลเกิดขึ้นจิตเป็นคนดูนี่นต้องมีจิตอยู่ตัวหนึ่งนะกับสภาวะอันอื่นอีกการหนึ่งนะอย่างนี้ถึงจะเรียกว่าการแยกขั้นแรกรู้สึกตัวให้เป็น คนที่รู้สึกตัวเป็นไม่เผลอ ER, ไม่เพง่งไม่ใช่ง่ายนะรู้สึกได้แวบๆอ่ะมันยังเจริญปัญญาไม่ได้มันต้องรู้สึกได้บ่อยๆทีๆนะมันจะรู้สึกมันรู้สึกตัวอยู่ทั้งวันีกก่กระดุกกระดิกอะไรนี่รู้สึกนอนอยู่พลิกซ้ายพริกขวารู้สึกนะมันต้องขนาดนั้นเลยค่อยๆฝึกอย่าตกใจกลัวซะก่อนแม้บางคนได้ยินว่านอนหลับพลิกซ้ายพริกขวาก็ต้องรู้สึกชักกลัวฝึกเรื่อยๆแล้วมันเป็นเอง มันรู้สึกขึ้นมาเองพอ ร, รู้สึกตัวเป็นแล้วก็มาแยกขันค่อยดูลงไปอย่างนั่งอยู่เนี่ยเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเดินอยู่เห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูหายใจอยู่ร่างกายหายใจใจเป็นคนดูมีความสุขมีความทุกข์เกิดขึ้นในกายก็ เ, เห็นอีกสุขทุกข์ในกายไม่ใช่ร่างกายเป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในกายสุขทุก ข, เข์เกิดขึ้นที่จิตก็ๆๆตมไม่ใช่จิต เป็นสิ่งที่แปลกปลอมเข้ามาในจิตค่อยๆแยกไปค่อยๆดูไปส่วนจิตเป็นคนรู้จิตคือตัวที่รู้อารมณ์เรียกจิตเป็นผู้รู้แยกไปโดยที่มีจิตผู้รู้อยู่เนืองๆนะถ้าไม่มีจิตผู้รู้เห็นกายกับเวทนาแต่จิตถลำลงไปที่กายที่เวทนาจะไม่เดินปัญญาจริงมันจะเพ่งมันจะเพ่งกายเพ่งเวทนาดนันจิตต้องตั้งตัวขึ้นมาทรงตัวขึ้นมาเป็นผู้รู้ จิตที่เป็นผู้รู้จิตที่ทรงสมาธิที่ถูกต้องนั่นเองพอแยกขันได้แล้วต่อไปก็เจริญปัญญาในขั้นวิปัสนาตรงที่แยกขันเนี่ยเป็นปัญญาเบื้องต้นยังไม่ขึ้นวิปัสนาตรงที่เป็นวิปัสนาคือเห็นขันแต่ละขันสภาวะแต่ละสภาวะนั่นนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงเกิดดับบังคับไม่ได้นะดูอย่างนั้นถึงจะขึ้นวิปัสนาจริง อย่างถ้าเห็นท้องพองเห็นท้องยุบเห็นท้องพองท้องยุบยังอยู่แค่สมถะนะขยับมือมือเคลื่อนไหวรู้สึกอยู่ที่มือเี้ยเป็นสมถะนะแต่เมื่อเราสามารถมองเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของสภาวะอันนั้นแหละถึงจะขึ้นวิปัสสนาจริงถ้าขึ้นวิปัสสนาแล้วเนี้ยอานิสงส์มันมากจเจริญวิปัสสนาแล้วจะได้ผลในเวลาอันสั้นจะเกิดปัญญา ทีแรกก็ยังเป็นโลกียาปัญญานะคือเห็นว่าความรู้สึกทุกอย่างเกิดแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปนะทุกอย่างแต่และตัวนะเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับอันนี้เป็นมิปัสสนาขั้นต้นๆพอเห็นซ้าแล้วซ้าอีกนะปัญญามันแก่กล้าขึ้นมันจะเริ่มรู้สึกเบื่อหน่านยะรู้สึกว่าหาสาระไม่ได้เลยทั้งรูปธรรม ท, ทั้งนามธรรมนี้ที่จิตไประลึกรู้เข้า ไม่เห็นมีสาระแก่นสารอะไรใจมันจะเริ่มเบื่อหน่ายคลาความยึดถือนะทีแรกมันมันเห็นแล้วมันไม่ชอบมันก็ดิ้นรนเหมือนดิ้นรนอยากจะพ้นไปอย่างเวลาจิตเราไปจับอารมณ์เนี่ยเราจะดิ้นทำไงจะหลุดทำไงจะหลุดนะตรงที่จิตมันดิ้นรนเนี่ยรู้ทันมันไปอีกนะเห็นเกิดดับแล้วนะเห็นความน่าเบื่อหน่ายนะความไม่มีสาระแก่นสาร เห็นสภาวะที่จิตอยากเห็นดิ้นหนีไปรู้ทันมันลงไปพอรู้ทันไปสภาวะดิ้นรนมันก็ดับนะแล้วก็เรียนรู้รูปธรรมนามธรรมทั้งหลายต่อไปอีกเรื่อยๆจงกระทั่งถึงจุดหนึ่งจิตมีปัญญาแก่กล้าเป็นวิปัสสนาที่แก่กล้าคือมีปัญญาเห็นความจริงว่าทุกสิ่งที่เกิดล้วนแต่ดับทั้งสิ้น สุขเกิดสุขก็ดับทุกเกิดทุกก็ดับนะดีเกิดดีก็ดับชั่วเกิดชั่วกระดับทุกอย่างเสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์สุขกับทุกขเสมอกันดีกับชั่วก็เสมอกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์ดีกับชั่วต้องระวังนะต้องพูดพันดีกับชั่วเสมอกันเนี้ยในทางจริยธรรมไม่เสมอกันนะดีคือดีชั่วคือชั่วนะแต่ในเวลาทำวิปัสสนากรรมฐานดีรู้ว่าดีชั่วรั่วชั่ว นะเท่าเทียมกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์คือล้วนแต่เกิดแล้วดับเหมือนๆกันล้วนแต่บังคับไม่ได้เหมือนๆกันสุขกับทุกข์เกิดแล้วก็ดับดีกับชั่วเกิดแล้วก็ดับนะสุขก็เลือกไม่ได้ทุกก็ห้ามไม่ได้ดีก็เรียกมาเรียกร้องมาก็ไม่ได้ชั่วไล่มันก็ไม่ไปอะไรเงี้ยเฝ้ารู้เฝ้าดูไปด้วยพอปัญญาแก่กล้าเนี่ยมันจิตมันจะเข้าสู่ความเป็นกลางด้วยปัญญามันจะเป็นกลางนะ มันเห็นว่าความสุขเกิดขึ้นก็แค่ความรู้สึกอันหนึ่งเกิดขึ้นความสุขดับไปจิตก็ไม่เสียดายความทุกเกิดขึ้นก็แค่สภาวะอันหนึ่งเกิดขึ้นไม่เกลียดมันมันดับไปก็แค่รู้ว่ามันดับไปเนี่ยใจมันเป็นกลางต่อสุขและทุกต่อดีและชั่วเมื่อใจมันมีปัญญาในขั้นนี้เรียกว่ามีวิปัสสนาปัญญานะวิปัสสนาปัญญาที่ยังเป็นโลกีะ ขั้นนี้สุดยอดเลยในการปฏิบัติมันเป็นประตูของมรรคผลนะถ้าเป็นพวกพระโพธิสัตว์เนี่ยจิตก็มาจ่ออยู่ตรงนี้แหละแล้วก็เวลาไปเจอพระพุทธเจ้านะพร้อมที่จะบรรลุพระอรหันต์ในขณะนั้นนะในวันนั้นนะแต่ไม่เอาสร้านะงความตัดถนาต่อไปอีกหวังพุทธภูมิอย่างนี้อาจจะได้รับพยากรจากพระพุทธเจ้าแล้วก็แน่นอนว่าเป็นโ พ, พธิสัตว์ชนิดที่ แน่นอนว่าจะวันหนึ่งจะต้องตัดสั้นตรงที่จะได้รับพยากรน์นี่จิตก็ต้องถึงตรงอุเบกขานี่แหละนะถ้าหากไม่ได้มุ่งไปสู่พุทธภูมนะิตรงนี้คือประตูของการบรรลุมรรคผลเมื่อจิตเป็นกลางต่อสุขและทุกข์ต่อดีและชั่วแล้วจิตจะหมดความดิ้นรนนะจิตจะไม่ปรุงแต่งต่อไม่ดิ้นรนต่อจิตจะรวมเข้าอปนาสมาธิมันรวมของมันเองนะ แล้วกระบวนการของอริยามรรคจะเกิดขึ้นตอนนั้นจะเกิดโลกุตระปัญญาขึ้นมาปัญญาวิปัสสนาปัญญาัางมีส่วนที่เป็นโลกียนะ ก, ะส ก, นะยยยก็ส่วนที่เป็นโลกุตระนะค่อยๆฝึกไปส่วนที่เป็นโลกียะยังเป็นปัญญากลับกลอกอย่างวันนี้เห็นสุขกัทุกข์เท่ากันพรุ่งนี้อาจจะไม่เท่าอีกแลนะเสื่อมได้ ถ้าเป็นโลกุตตะาปัญญาแล้วล้างกิเลสแล้วก็ล้างไปเลยนะกิเลสตัวท่านที่ถูกล้างแล้วไม่กลับมาอีกนะไม่เหมือนกันแต่ว่าโลกุตตะปัญญามีได้ก็อาศัยศีลสมาธิปัญญาที่เราฝึกทุกวันทุกวันนี่แหละฝึกไปเรื่อยอดนะ ท, ทนเก่งไม่เท่าไหร่หรอกแต่ละคนนะ่ะถ้าบุญวาสนามากจริงไม่เกิดมาอยู่ในยุคนี้หรอกเกิดนะ ท่านพระพุทธเจ้ามรรู้มรคผล่นนิพพานไปหมดแล้วเงรานบุญวั ส, สนาเราไม่มากเราก็ต้องอดทนมากหน่อยเหมือนเราเกิดมาเป็นคนจนนะเราก็ต้องอดทนมากหน่อยเพยื่อจะเลี้ยงตัวเองให้รอดเรายากจนในธรรมะถือตกค้างมาตั้งสองพันห้าร้อยสองันหร้อยปีนะีตกค้างมานานก็นต้องอดทน ต้องอดทนต้องซื่อสัตย์ต้องอดทนนะซื่อสัตย์ก็สำคัญนะไม่เฉพาะซื่อกับคนอื่นนะซื่อสำคัญอนะี่ซื่อกับตัวเองเลยดูลงไปกิเลสเรามีอยู่เท่าไหร่รู้ทันมันเข้าไปทาไมซื่อสัรจะปกปิดกิเลสของตัวเองนะแกล้งทำเราเป็นคนดีเราเป็นคนอย่างนั้นอย่างนี้นี่ไม่ซื่อกับตัวเองซื่อกับตัวเองต้องกล้า คุยกิเลสตัวเองขึ้นมาดูนะไม่ใช่กลบเกลื่อนมันไวแล้วต้องอดทนเรียนแล้วเรียนอีกเรียนแล้วเรียนอีกทุกวันทุกวันศนะีลก็ต้องอดทนนะในการรักษาสมาธิก็ต้องอดทนในการฝึกการเจริญปัญญาก็าน่าเบื่อที่สุดเลยเรียนรู้กายรู้ใจมีอยู่แค่นี้เหมือนอ่านหนะังสืออยู่หน้าเดียวนะอ่านทั้งชาติต้องทนนะ อ่นนสือหน้าเดียวในชาติหนึ่งเนี่ยงั้นต้องอดทนมากๆแล้วก็ซื้อซื่อสัตว์ต่อตัวเองเรียนรู้ไปนะเรื่องไม่ซื่อกับคนอื่นยังไม่ร้ายเท่าไม่ซื่อกับตัวเองนะถ้าไม่ซื่อกับตัวเองพัฒนาไม่ขึ้นมันนึกว่าตัวเองเก่งตัวเองดีตัวเองวิเศษอยู่แล้ว ท, ท, ทั้งๆที่ถ้ามันวิเศษจริงมันพนทุกไปแล้วล่ะ ตราบดที่ยังไม่พ้นทุกยังไม่พ้นกิเลสยังไม่วิเศษจริงหรอกอา้าวหนูว่าไงนมาส ก, การหลวงพ่อค่ะเราคลองจิตอยู่รู้ไหมขณะเนี้ยค่ะเราเราเตื่นเต้นเราก็เลยไปกดมัน้อยลองปล่อยสิตื่นเต้นรู้ว่าเตื่นเต้นทําได้ไหมไม่กดจิตตรงนี้ดีกว่าตะกี้รู้สึกไหมรู้สึกค่ะรู้สึกความต่างไหมตะกี้มันแน่นรู้สึกค่ะ ตอนนี้แน่นอีกแล้วรู้สึกไหมเนี่ยดูอย่างนี้นะเป็นช็อตๆไปเลยมันแน่นเรารู้ทันมันคลายมันคลายแล้วอยากดีอีกรวบมาอีกแน่นอีกตรงนี้ก็เกิดดับนะเนี่ยเฝ้ารู้เฝ้าดูเรียนรู้ไปเรื่อยๆอดทนรู้ซื่อๆดีก็ดีชั่วก็ชั่วบางคนไม่ซื่อนะหลวงพ่อถามจิตเป็นไงภาวนาหมู่นี้ภาวนาดีขึ้นค่ะแล้วก็สะดุ้งใจอุ๊ย นิดหน่อยค่ะอะไรงเงี้นะทั้งที่คิดว่าดีเยอะนะแต่ว่าพูดไว้หน่อยรักษาหาทางถอยให้ตัวเองดีนิดหน่อยไม่ค่อยซื่อเท่าไหร่หรอกถ้าซื่อๆดีกว่าดีเลยนะถ้ามันไม่ถูกเดี๋ยวหลวงพ่อก็บอกเองอะ่ะแล้วเราจะจําแม่นถ้าเรากลบกิเลสเราไว้นะครูบาอาจารย์สอนเนี้ยเราเราป้องกัน p r o เทคตัวเองตลอดเลยเรียนไม่ได้บางคนเรียน ตั้งนานนะเราไม่เจริญเนะี่ยไปสังเกตให้ดีเหอะส่วนใหญ่คือพวกโปรเทคตัวเองทนดูความชั่วของตัวเองไม่ได้ฉันจะต้องเป็นคนดีนะใครเป็นบ้างใครดูออกบ้างยกมือสิมีอีกแต่ยังไม่ยอมยกพวกโปรเทคตัวเองนะอย่าโปรเทคตัวเองโปรเทคตัวเองคือโปรเทคกิเลสนะเพราะนันต้องรู้เท่าทันมันจริงๆ อย่างเน้ยมันทนได้ใจมันมันกล้านะเด็กเนี้ยทีแรกมันก็มานยามากดัดจริตอย่างเนี้นนะทาเป็นเรียบร้อยนี่เป็นดีถูกลุงพ่อโขกสับได้ตรงๆบางคนโขกสับไม่ได้นะมันขับแคลนมากเลยล้มละลายบางคนโขกสับได้ลุงพ่อก็โขกบางคนมาขอให้โขกไม่โขกนะโขกสุมสี่สุมห้าเจ็บมืออย่างเน้ยมันทน ถูกดาถู ก, ถกด่าไม่ทนจะเรียกว่าหน้าด้านก็ไม่ใช่นะคนละแบบหน้าด้านเป็นทางไม่ดีอย่างนี้เรียกว่ามีขันตินะของหนูกไปดูเอากิเลสมีเท่าไหร่รู้เอานะเห็นกิเลสตัวไหนบ้างหลักๆก็จะเป็นหลงค่ะฟุ้งซ่านโทสะมานะตัตัวหลักๆเออฉลาดฉลาดที่รู้จักตัวเองนั่นแหละเป็นจุดตั้งต้นที่จะพัฒนาแหละ ถ้าไม่รู้จักตัวเองจะไปพัฒนาได้ยังไงนะเรียนรู้ไปเรียนรู้จักสิ่งที่เรามีก็คือจากกิเลส ท, ที่เรามีนี่แหละดูไปเรื่อยๆนะศีล ส, สมาธิปัญญามจะสมบูรณ์ขึ้นมาขณะเนี้ยจิตมีปีติมีความสุขรู้ไหมรู้ค่ะเออก็แค่นี้จิตที่ดีคือจิตอย่างเนี้ยนะจิตธรรมดาแต่ตรงนี้ไม่ธรรมดาแล้วรู้สึกไหม<ด><ด>รวบเข้ามาแล้วคเออหัดดูอย่างนะั้น หลวพ่อขออย่าถามอีกเหร อ, หรอสอนถึงละเอียดขนาดนี้นี่ขอสาสามคำาสามวเลยสั้นๆ น, น, น, นะคะหลวงอคืออยากรู้ว่าตอนนี้สมาธิพอไหมคะในเคสบา้านเลยถ้าไม่พอจิตมัจะมาเป็นอย่างนี้หรือค่ะนะสมาธิใช้ได้แต่สมาธิก็เหมือนแบตมือถือต้องชาร์จนะค่ะถือว่าตอนนี้สมาธิพอแล้วไม่ทาอีกแล้วมันก็เหมือนแบตนะเดี๋ยวก็หมด งั้นทุกวันต้องทำแ บ, บ่งเวลาทำในรูปแบบไห้จะได้สมาธิคอยรู้ทันจิต ท, ที่เคลื่อนไปเคลื่อนมานี่นะเอาข้อสอง ส, สามารถแยกคาดแยกขันได้หรือยังอะคะ่ะเดี๋ยวเขกกระบ้านเลยแยกแล้วยังอย่าสงสัยอีกขณะนี้แยกอยู่แล้วค่ะนะเอาข้อสามมีอะไรที่ต้องปรับปรุงหรือแก้ไขเพิ่มอย่า <ลง S 1> ขี่สงสัยเกินไปนะนี่ไม่ต้องขี้สงสัยดูสภาวะจริงๆไป ภาวนาได้ดีอยู่ไปดูอีกตัวหนึ่งนะจะไปตัวมานาอัตตามันจะเด่นน ะ, ะไปดูตัวนี้ด้วยถ้ารู้ไม่ทันเยคนจะเกลียดเยอะเลยค่ะนั่นแหละมันเป็นวงจรของพวกเซลล์จัดคือคนเกลียดะอะ า ก, การนมัสการหลวงพ่อครับมาปฏิบัติครั้งนี้ครั้งแรกครับออืปฏิบัติได้บ้างไม่ได้บ้างมาอยู่วัดครั้งแรกสิมาอยู่วัดเลยพระองค์ทำมาก่อนแล้วล่ะครับเอก็ยังมีความสับสนฟุ้งซ่านทําทได้บ้างไม่ได้บ้างแล<อ>้วก็มันมีความติดอัดบ้างครับประมาณนี้ครับหลวงพอ่อคืนอนาฏส่วนใหญ่ก็บังคับตัวเองแทรกแสงสภาวะก็่จะอิดอัดฟุ้งซ่านบ้างสงบบ้างอันนั้นถูกต้องแล้ว ว่าฟงซ่นก็ไม่เที่ยงสงบก็ไม่เที่ยงนะทำถูกแล้วล่ะจุดที่ยังพลาดคือยังประคองจิตอยู่รู้สึกไหมยังควบคุมจิตอยูนะ่ปล่อยให้มันทำงานกล้าๆหน่อยนะที่เหลือใครจะถามีไหมอ๋อยังไม่หมดเหรอเาว่ามาก็ฟงซ่านค่ะแล้วก็มีเพ่ง จิตมีกำลังมากขึ้นแล้วดูออกเรานะที่ภาวนามาก็ดีอยู่จิตมันมีกำลังมากขึ้นแล้วแล้วก็มันดีข้อหนึ่งคือไม่ไปปกครองมันไว้ อ, อย่าพยายามปกครองมันมันหลุดจากการปกรครองออกมาแล้วนะอย่า ก, กลับเข้าไปปกครองมันอีกแล้วเฝ้ารู้มันไปอย่างที่มันเป็นนะจิตไม่เข้าฐานดูออกไหมเอออะไรเลยถามอะไรก็ดูออกหมดแล้ว เงืงไปดูเอาเองใครจำเป็นว่ามาวันนี้เขาถามว่าปัจจุบันนี้เขาเดินจงกรมดูร่างกายเคลื่อนไหวก่อนหน้านี้หลวงพ่อแนะนำให้เขาพิจารณาว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราเขาอยากจะถามว่าขณะที่เขาเดินจงกรมเนี่ยให้เขาคิดว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราใช่ไหมคะ ใช่อย่างนั้นก็ได้แต่เวลาต้องการความสงบก็เดินเฉยๆเวลามันสงบมันสบายแล้วก็ดูไปร่างกายที่เดินอยู่เป็นของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราเงินะนั้นตอนที่เดินเนี่ยบางทีก็พิจารณาว่ามันไม่ใช่เราช่วงไหนต้องการเดินให้จิตสงบก็ไม่ต้องพิจนารณาวิปัสสนาเนี่ยไม่ได้ทำตลอดเวลานะการเจริญตัญญาเนี่ยไม่ได้ทาตลอดเวลา ทำไปช่วงหนึ่งก็ต้องหยุดมาทําสมถะอย่างเราเดินจงกรมเห็นร่างกายเดินใจเป็นคนดูอย่างเงี้ยได้สมถะนะหรือเดินเดินอยู่จิตหนีไปคิดรู้ว่าจิตหนีไปคิดเงี้ยได้สมถนะนี่พอใจมันรู้เนื้อรู้ตัวดีแล้วเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูได้สบายๆนะล้วก็กระตุ้นให้เกิดปัญญาด้วยการทําความรู้สึกขึ้นมาร่างกายที่เดินอยู่เนี่ยมันของถูกรู้ถูกดูไม่ใช่ตัวเราของเราหรอก ค่อยๆดูอย่างนี้แล้วต่อไปพอจิตมันเดินวิปัสสนาจริงๆนะมันจะไม่ต้องคิดหนำมันจะเห็นเลยตัวที่เดินตัวที่นั่งตัวที่ยืนตัวที่หายใจอะไรไม่ใช่เราหรอกจะเห็นเองงั้นตอนแรกๆก็ช่วยมันสังเกตช่วยมันหมายรู้ว่ามันไม่ใช่ตัวเรานะแต่พอจิตมันเดินปัญญาเป็นแล้ว มันเดินวิปัสสนาได้เองแล้วไม่ต้องจงใจมันก็เห็นเองว่ามันไม่ใช่ตัวเราอย่าไปดันจิตขึ้นไปอย่าไปยกจิตดันไว้อย่างนี้ตอนนี้ไปดันจิตไว้ปล่อยมันลงมาเล่นขึ้นเราเต็งอยู่ทั้งวันเมื่อยตายเลยปล่อยจิตให้ลงมาสู่สภาวะปกตินะ ยังปล่อยไม่ได้มองออกไมว่าต่เ น, นี้เราทำจิตไว้แบบนี้อย่าเปดันไว้เมื่อยนะปล่อยให้มันเป็นธรรมชาติเขาบอกว่าดูอ น, นิจจังเห็นแต่เกิดไม่เห็นดับ เ, ออเขามีความรู้สึกเหมือนเขาว่าเขาเห็นอนัตตาได้มากกว่านิดนึงเขาควรจะเปลี่ยนมุมมองมาเป็นมองอนัตตาหรือเปล่าคะถ้ามันเห็นเกิดดับก็ดูไปนะ แล้วเวลาจิตมันเดินปัญญาของมันเองอะเราเลือกไม่ได้หรอกบางทีมก็เห็นอนิจจังบางทีมก็เห็นอนัตตาเอาแน่ไม่ได้หรอกงั้นแค่ดูสภาวะที่กำลังมีกำลังเป็นนั่นแหละแล้วการภาวนาเนี่ยช่วงแรกเห็นแต่เกิดไม่เห็นดับเป็นเรื่องปกติเพราะสติเรายังไม่เข้มแข็งสมาธิยังไม่เข้มแข็งพอตอนมันมีขึ้นมาเนี่ยเราเห็น แต่เสร็จแล้วใจเราเปลี่ยนอารมณ์ไปซะก่อนไปจับอารมณ์มันใหม่ไม่ได้ดูอารมณ์เก่ามันดับแต่ต่อไปพอชํานาญการปฏิบัติที่เห็นมันเกิดดับนะแล้วสุดท้ายพอจิตมีพลังมากๆเนี่ยจะเห็นสิ่งบางสิ่งไหวขึ้นมาเราก็ดับเห็นแต่ว่าเกิดแปบเดี๋ยวเราก็ดับดับดับจุดเด่นไปเด่นอยู่ที่ดับนะไม่ได้เด่นที่เกิดละงั้นหัดใหม่ๆก็เห็นแต่เกิดไม่เห็นดับต่อไปเห็นเกิดดับต่อไปเห็นดับ ไม่สนใจเกิดแล้วเห็นแค่สิ่งบางสิ่งผุดขึ้นมาแล้วก็ดับนะงั้นการ่าน้ําก็จะพัฒนาไปเรื่อยๆไม่ใช่เราคิดเอานะดูของเราไปแล้วมันพัฒนาของมันเองเพราะงั้นจะดูอนัตตก็ได้ชอบอนัตตก็ดูอนัตตาไปแต่ถ้าในขณนะนั้นมันเห็นอนิจจังก็ดูอนิจจัง ถนัดอันไหนก็เอาวันนั้นใช้ได้เหมือนกันอาว่าไปมรดกหลงพ่อครับมาจากขัดใหญ่ครับปฏิบัติตามแนวทางหลวงพ่อมาหนึ่งปีครับทาในรูปแบบทุกวันก็อยากจะมาขอการบ้านหลวงพ่อครับจิตขณะนี้ถึงฐานไหมตื่นเต้นครับ ตื่นเต้นดูออกไหมจิตมันกระจายออกไปข้างนอกครับนะเ อ, อถ้าดูได้ก็ใช้ได้จิตกระจายก็รู้ว่ากระจายติดตื่นเต้นก็รู้ว่าตื่นเต้นนะอย่างดีไม่ไปข่มมันไว้บางคนตื่นเตนะ้นไล้ไปกดมันนะมันจะแน่นๆน่นอึดัดนะรู้อย่างที่มันเป็นครับแต่ก็รู้ไว้อย่างหนึ่งว่าตอนเนี้ยจิตไม่เข้าฐานนะเวลารู้ว่าจิตไม่เข้าฐานเราก็หายใจไปพุโทโธไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันเข้าเอง อย่าไปดึงให้มันเข้านะครับทํากรรมฐานไปแล้วเดี๋ยวมันเข้ามาเองจิตมันตั้งมั่นเด่นดวงขึ้นมาแล้วเราก็ค่อยเดินปัญญาเอาเนตอนเนี้ยถ้าเดินปัญญาในขณะที่จิตเป็นแบบนี้จะฟุ้งซ่านครับรู้สึกไหมมันฟุ้งซ่านรู้สึกครับเออเนี่ยเพราะจิตมันไม่ถึงฐานมันจะฟุ้งซ่านเพราะฉะนั้นเวลาจะเดินปัญญานะจิตต้องตั้งมั่นจริงๆ รับนามัตรการหลวงพ่จอจากาหลวงพ่อวันกนบอกว่าไปดูกายดูดูกายดูใจไม่ได้ก็ดูกายก็ไปดูกายดูกายก็เห็นร่างกายมันไหวมาไหวไปเดินไปเดินมาแล้วก็นอนก็กลับไปกลับมาใช่ใช่ แล้ว<ล>ตัวหนึ่งนอนแล้วตัวหนึ่งก็ยังอยู่อ๋เอเห็นเป็นโอ้ตัวเองมันกันนอนอยู่กันสองคนพูดอีกทีสิฟังไม่ออก <c oughs> พูดช้าๆหน่อยอ้าวว่าไงว่าเห็นตัวเองนอนอยู่และคนหนึ่งจันทรนอนอยู่อ๋อเห็นตัวเองนอนนอนใช่ไหมแล้วก็เป็ น, นคนดูด้วย<ก>ถูกเป้เลยที่ภาวนาอยู่นะเก่งนะ ภันนาได้ดีขันมันแยกจิตตั้งมั่นค่ะสมาธิถูกต้องแล้วะจิตก็เป็นคนดูเราจะเห็นนะอยที่หลวงพ่อบอกว่านอนหลับอยู่ทิกไซทิกกว่าอย่างรู้เลยใช่ไหมโอ้โหนี่สิต้องอย่างนี้สิค่อยมีพยานหน่อยนื่อหาว่าหลวงพ่อเพ้อเจอนอนหลับแล้วมันจะไปรู้ได้ยังไงเนี่ยมันรู้หมดแหละแล้วรู้สึกไหมมันไม่ใช่ตัวเราหรอกก้า นั่นแหละดูไปเรื่อยนะแล้วต่อไปก็สังเกตในยจิตใจที่เป็นคนรู้คนดูมันก็ไม่ใช่ตัวเราเดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็คิดใช่เดี๋ยวมันก็รู้เดี๋ยวมันก็ไปเพ่งร่างกายดูออกไหมมันทำงานได้เองดูออกกันั่นต้องอย่างนั้นแหละแล้วน้องไหน <c oughs> แล้วจะทำยังไง ที่ภาวนานะหลวงพ่อสรุปให้ที่ภาวนานะถูกต้องทุกอย่างเลยนะน้อยคนนะที่ภาวนาอย่างนี้นะสติเราก็มีแล้วอัตโนมัติละแต่นอนพลิกซ้ายพลิกขวาหลับอยู่ยังรู้เลยนะเปิดประตู ก, รกออนะ็รู้ก้ะรู้หมดแล้วะแล้วใจมันก็อยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้บังคับรู้สึกไม้มใจมันมีความสดชื่นมันมีความสุขนะ แล้วรู้ตัวไปเรื่อยๆแล้วก็วดูไปทุกอย่างในโลกนี้นะทั้งในกายทั้งในใจเนี้ยแล้วก็ดูไปดูไปเห็นมันเห็นตัวเองแล้วก็กลับไปกลับมากลับไปปล่อยปล่อมาตัวเองกเออดูไปเรื่อยๆแล้ววันหนึ่งจะเห็นว่าไม่ใช่ตัวเราหรอกไ อ, อ้ตัวเนี้ยไม่ไมใช่ตั ว, วเราแล้รู้รู้ภาวะะือโกรธอืม แล้วก็หลงเอ็นบทดีภาวนาถูกดีเลสก็เอ็นก่นนั่นแหละเกงถ้าเห็นแต่กุศลล้วก็แย่แล้ว น, นี่เห็นไหมชาวบ้านธรรมดานะภาวนาเขาภาวนาแบบซื่อๆของเราภาวนาแบบรวดลายเยอะคิดมากแพ้กันตรงนี้แหละของโยมเนี่ยภาวนาดี รู้ไปอย่างที่มันเป็นนั่นแหละเดี๋ยวความจริงมันก็สอนเราเองนดี๋ยวยังยังกาดอะไรบ้างคะฮะยังกาดที่ใบทําไม่ตูกอะไรบ้างคะว่าไหนะขาดอะไรบ้างไม่ต้องกลัวยังขาดอีกเยอะที่ทําไม่ตัวกันคะเออค่อยๆดูไปค่อยๆสะสมไปนะศีลของเราสมบูรณ์หรือ ย, อยัง ยังไม่ครบค่ะเออนั่นแหะขาดเห็นไหมใจยังรู้สึกตัวได้ทั้งวันไหมหรือเผลอไปบ้างมีเผลอไหมเผลอบ่อยๆไหมเผลอค่ะเผลอนานไหมเผลอปรเดี๋ยวก็รู้เออถ้าเผลอประเดี๋ยวก็รู้ก็ดีใช้ได้นค่อยฝึกไปเรื่อยๆนะจนกรทั่งเผลอสั้นๆเผลอแวบก็รู้สึกะฝึกไปสะสมไป สมาธิดีสติไวใช้ได <Okay. S 1> นะ้ดูความไม่ใช่ตัวเราให้มากๆนะดูให้เห็นร่างกายนี้ไม่ใช่อย่าเพิ่งบอกแอ บ, บไปที่อื่น mm hmm. เกิดอะไรขึ้นใครไปช่วยเขาคุยอย่าให้เขาเสียสมาธินะ เสียสมาธิตอนเรียนกรรมฐานเนี่ยคือการเสียโอกาสนะเพระธรรมะที่มันถ่ายทอดเนี่ยมันส ด, สดสดร้อนๆ้อนเมื่อเราภาวนาถูกแล้วนะก็ภ า, าวนาให้มากภาวนาบ่อยๆดูไปเรื่อยๆให้เห็นร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวเราจิตใจนี้ก็ไม่ใช่ตัวเราเราบังคับมันไม่ได้มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงอยู่ทั้งวัน เดี๋ยวรู้เดี๋ยวหลงนะเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์ดูไปมีแต่ของไม่เที่ยงมีแต่ของไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายดูว่าไม่ใช่เราดูง่ายเนาะร่างกายรู้สึกแล้วใช่ไหมมันไม่ใช่เราเดี๋ยวก็เออนะดูจิตใจไปให้เห็นมันไม่เที่ยงเปลี่ยนตลอดต่อไปก็จะเห็นเรามันจิตใจก็ไม่ใช่ตัวเรานะไปทําอีกไปอา้าวรอมานานละนี่อยู่ข้างหน้ามา กลาวหลวงพ่อค่ะอาว่าไปส่งการบ้านครั้งแรกค่ะหนูทําในรูปแบบติดต่อมาหลายเดือนแล้วค่ะใช้วิธีดังดูลมหายใจรู้สึกตัวค่ะเห็นจิตที่มันดิ้นอยู่ข้างในออแล้วก็มันบีบคั้นอยู่กลางหน้าอกค่ะออพอถึงตรงนี้หนูหนูไม่ไม่รู้ว่าจะต้องทํายังไงต่อไม่ต้องทําอะไรดูไปเรื่อยๆนะแล้วพอมันเหนื่อยก็กลับมาไหว้พระสวดมนต์ทำสมถะไป พอมีเรี่ยวมีแรงแล้ว ก, กลับมาดูเขาทํางานอย่างนี้แหละหนูทําถูกแล้วนะแต่ว่าสังเกตนิดนึงขณะเนี้ยจิตไม่ถึงฐานรู้สึกไหมจิตมันเจ้าออกข้างนอกไปนะถ้าจิตเจ้า อ, อข้างนอกเนะี่ยไม่ดีเดี๋ยวมันจะไม่เดินปัญญา จ, จริงมันจะสบายอย่างเดียวพยายามหายใจแต่ไม่ดึงจิตคืนนะหายใจแล้วก็รู้สึกตัวหายใจแล้วรู้สึกตั ว, ย ว, ตวอย่าดึงจิตอย่าน้อมจิตอย่างนั้นอันนั้นแกล้งน้อมจิตให้ซึมนะ ใจจิตปกติเนี่แหละหายใจไปเห็นร่างกายมันหายใจใจเป็นคนรู้สึกเป็นคนดูไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะค่อยกลับเข้ามานะพอมันเข้ามาแล้วคราวนี้เราจะเดินปัญญาได้นะกระฉับกระเฉงนะ้าใจไปอยู่ข้างนอกอยู่ข้างหน้าโล่งๆเนี่ยนะเมื่อกี้มันออกไปกแล้วดูออกเปล่าแวบไปอยู่ในี่ยนะสบายทั้งชาติเลยนะแต่ไปไหนไม่ได้แล้วติดอยู่แค่นั้นนะนะงั้นอย่าให้ใจมันออกไปข้างนอกนะให้ใจมันตั้งมัน่นจริงๆ วิธีทำให้ใจตั้งมั่นไม่ได้ไปบังคับให้ตั้งไม่ได้ไปดึงให้เข้ามาเอาแค่ว่าหายใจไปรู้สึกตัวไปก็รู้ว่าใจอยู่ข้างนอกเดี๋ยวมันเข้าเองให้มันเข้าเองเราใช้ได้แจมเข้ามาแล้วคราวนี้เราจะดูสภาวะอะไรเราก็จะเห็นสภาวะทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับสภาวะทั้งหลายไม่ใช่ตัวเราบังคับไม่ได้ตัวนั้นจะเดินปัญญาจริงๆอ้าวคนสุดท้าย กานมัสการค่ะหลวงพ่อหนูฟัง youtube ผ่านฟังธรรมะหลวงพ่อผ่าน YouTube มาหนึ่งเดือนค่ะก็อยากทราบว่าตอนนี้เราเริ่มปฏิบัติได้บ้างแล้วหรือยังค่ะเรารู้ตัวไหมล่ะรู้ค่ะนั่นแหละรู้ว่าตื่นเป็นมากเห็นไหมเดือนหนึ่งนี้เราเปลี่ยนไปแล้วค่ะนั่นแหละดีภานามาถูกทางแล้ว ตอนแรกยังยังไม่เข้าใจคาว่าสมาธิกับวิปัสสนาตอนแรกลูกพุทโทรตลอดหนึ่งปีมีแม่ชีสอนให้ลูกพุทโทรเพราะลูกใจร้อนขับรถทุกครั้งก็จะพุทโทรทุกครั้งจนเรารู้ว่าเราเปลี่ยนไปแล้วดีแต่ว่าลูกหาทางนั่งสมาธิให้ได้นานเวลาลูกสวดมนต์ลูกจะนั่งได้แค่1ิบนาทีแล้วเราจะรู้ว่าเราหลงไปแล้วแต่เรารู้ว่าหลงแต่ว่าจะไม่คือโดยจริญนิสัยเนะี่ย มันจะไม่สงบนานนะจิตมันเป็นพวกปัญญากร้ามันสงบนิดๆหน่อยๆเท่านั้นแหละเราก็เดินปัญญาไปเลยนะเห็นความเปลี่ยนแปลงของกายของใจไปร่างกายไม่ใช่เราจิตใจมีแต่ความไม่คงที่บังคับไม่ได้นะเฝ้ารู้เฝ้าดูมันไปเรื่อยๆนะทุกวันก็ไหว้พระสวดมนต์ทำสมาธิไปเวลาทาสมาธิไม่ไปบังคับให้จิตนิ่งไม่เพ่งถ้าเพ่งแล้วอึดอัด ใช่ค่ะอย่าไปเพ่งทำสบายๆนั่งให้หลวงพ่อดูซิใจมันไหลเป็นระยะระยะดูออกไหมใช่ค่ะนะรู้ว่ามันไหลอย่าไปบังคับมันว่าห้ามไหลน ะ, ะมันมันจะสายๆก็ให้มันสายไปรู้อย่างที่มันเป็นแล้วเดี๋ยวมันจะค่อยๆเชื่องเข้ามาค่อยๆสงบนะันสงบของมันเอง เราได้พักผ่อนพอสมควรแล้วเราก็เดินปัญญาต่อเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเป็นคนดูเห็นความรู้สึกทั้งหลายผ่านมาผ่านไปใจเป็นคนดูนะฝึกไปเรื่อยๆที่ฝึกมาเดือนหนึ่งเนี่ยใช้ได้แล้วนะดีทำไมฝึกเดือนหนึ่งก็ทำได้ดีเพราะว่ามันมีฐานของสมาธิมาแล้วไอนะ้ที่เราหัดพุดโทโธพุโทโธมนะันนมันไม่ได้เสียเปล่าหรอก พุโทโธให้เป็นนะลองพุโทโธให้หลวงพ่อดูซิมีโมหะแทบนิดหนึ่งรู้ออกไหมค่ะเอยอย่างนี้เป็นโมหะสมาธินะเพราะฉะนั้นเราพุโทโธไปเนี่ยอย่าให้โมหะมันเข้ามารู้สึกตัวไปสบายๆพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแล้วจิตมันค่อยเปลี่ยนแปลงของมันเอง ลูกรู้สึกเก่งและตื่นเต้นค่ะแม่มันตื่นเต้นเพราะว่าก่อนมาลูกลูกฟังธรรมมาของหลวงพ่อทุกคืนแล้วลูกจะหลับไปลูกจะรู้สึกตัวขึ้นมาก็คือจะได้ยินธรรมมาของหลวงพ่อแล้วก็จะมาปิดแต่ว่าเมื่อคืนก่อนมาลูกฟังแล้วลูกก็คิดว่าจิตวันนี้ลูกรู้ว่าเป็นวันพายใหญ่ลูกอาจจะไม่มีโอกาสเข้ามาในนี้แต่ว่าในในฝันลูกฝันว่าลูกได้เข้ามาแล้ว จ็ดมีปิติรู้ว่มีปิติใช่ค่ะรูนะ้ไปเราหลวงพ่อได้ตรวจกันบ้านลูกแล้ววันนี้หลวงพ่อก็ได้ตรวจกันบ้านลูกจริงๆอืก็ลูกยกมือนี่ไม่เหรอค่ะตอนแรกไม่เห็นจะปฏิหารเลย <c oughs> ลูกไม่ได้เข้ามาไงคะตอนแรกลุกไม่ได้มีที่นั่งอยู่ในนี้คะ่ะอกรรมจัดสนนรรเนาะภาวนาไปภาวนาได้ดีอยู่ทําไปเรื่อยๆไป ขอบคุณค่ะนิมนต์ท่านอาจารย์นนะ